เป็นสัพพัญญุสะสอนความจริงสะสอนความจริ ง, ง, รงให้พวกเราทุกคนอากันตั้งใจประพฤติปบัติธรรมให้จริงจังเพราะเราทุกคนนั้นตั้งใจเข้ามาศึกษา ตั้งใจเข้ามาพระพฤทธบาทไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหรือว่าเป็นพระใหม่ก็ตามเมื่อเราสละชีพในเพศคารวะเข้ามาบวชบรรจารย์สมบทแล้วเนี่ยก็ให้ตั้งใจพระพฤทธบาทถ้าอยู่ในเพศคาราะนั้น เราสามารถที่จะทําให้จิตทจิใจเรานั้นพ้นทุกได้เราก็คงไม่เข้ามาบวชมาประกฏิบัติธรรมเพราะโดยปกติแล้วสิทธิของคนเรานั้นย่อมหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิทธิใจเราซึ่งหลงอยู่กับวัตถุหลงอยู่กับรูปเสียงกลิ่เราสัมผัส เมื่อเราเข้ามาบวดมาปฏิบัติก็อาศัยปฏิปทาขอ ง, องสมเด็จพระัมมาสมัสมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องดำเนินอาศัยคำสั่งสอนของพระอาหารต์ทั้งหลายในการปฏิบัติธรรมตามรอยพระอาหาร์เพราะฉะนั้นธรรมวินัย จึงเป็นรั้วจึงเป็นสินของพระเราเป็นสติวินยัยที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นไม่ให้เสียหายเมื่อเราสำรวมอยู่ในสินอยู่ในธรรมวินยัยจิตของเรานั้นก็มีความสงบอยู่ในระดับหนึ่ง ข้อวัดประพฤติบัตินั้นในแต่ละสำนักก็เป็นเครื่องที่จะขูดเกาจิเตเลสของเราให้มีความเือให้มีความเอื้อเฟื้อในการอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติ ร, ร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้มีความปฏิบัตเิเจริญยิ่งขึ้นไปในข้อวัดประพฤติบัติแต่ละสำนักนั้นจึงเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความเรียบร้อยแห่งการมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านต้องมีความใส่ใจในวัดปฏิบัติ <c oughs> ซึ่งครูบาอาจารย์ได้วางไว้ถ้าเราอยากที่จะขูดเกาชี เ, เหล็กไปในจิตใจเรานั้นให้ยิ่งขึ้นไปเราก็ถือธุปดงงวัดหรือนำาทุดงงวัด มาเป็นเครื่องขัดเกลาเกลียดภายในใจของเราอันไหนซึ่งถูกกับจริตของเราเพื่อที่จะขูดเกลาเกลเยดออกจากจิตใ จ, ใจใเราเราก็ตั้งใจสมทานดูงดงกวาดข้อนั้นถึงแม้ว่าไม่ต้องบอกใครก็ตามเราก็สามารถที่จะสมทานภายในจิตใ จ, ใจใเราก็ได้หรือบางครั้งอยู่รวมกันเพื่อความสะดวกแห่งการปฏิบัติ ก็บอกให้หมูทราบเพื่อความสะดวกและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นทุธง o วัดจึงเป็นเครื่องขูดเกากิเลสขัดกิเลสซึ่งพอกอยู่ภายในยใ จ, จิตใจเ่านั้นให้บรรตาบางไปหรือทำให้สิ้นสุดลงไปได้นั้นจึงต้องมีความที่จะใส่ใจมีความตั้งใจในการปฏริบัติ ไม่ใช่บวช้ามาแล้วนิสัยเดิมๆก็ไม่ทิ้งไม่มีความมุ่งหวังในการที่จัละกิเลสหรือทำลายกิเลสไปไจากใจของเราผู้ซึ่งเข้ามาบวชนั้นโดยปกติแล้วเปรียบเสมือนกับเข้ามาศึกษามาปฏิบัติตั้งน้อมรับสิ่งที่ดีตาดูหูฟังเป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญามีความฉลาด เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจึงจะเหมาะสมที่จะทําให้จิตใจของแต่และบุคคลนั้นรู้ทําเห็นทำได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นศีลจึงเป็นพื้นฐานความว่าง่ายสอนง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นคุณคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการที่จะทําลายกิเลสไปในใจของเรา เมื่อเราทุกคนตั้งใจเข้ามาปฏิบัติแล้วหน้าที่ของเราก็คือทาความภาคเพียนพยายามที่จะทำลายกยิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราเราก็รู้จักแล้วว่ากิเลสคือความทุกข์ใจความเล่าร้อนภายในผิตใจของเราอันเกิดมาจากความโลภความโกรธความหลง ราคาความขนาดบินดีในการทั้งหลายซึ่งสังอยู่ภายในจิตใจเรามานับพบนับชาติไม่ท้วนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันชาตินี้เราต้องมีความมุ่งหวังที่จะชนะเกศภายในดวงใจงใเราให้ได้กิเลสยังหยาบซึ่งเราเห็นได้ง่ายหรือสมมติพูดออกมาว่าเป็นความโลภสมมติว่าเป็นความโกรธ สมมุติว่าเป็นความกระหนัดยินดีในการทั้งหลายที่เป็นกิเลสแห่งหยาบกิเลสแห่งหยาบนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นดิ้นสัมผัสรถกายสัมผัสดินล้อหนอนแข็งความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจ อันนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบเพราะมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเชื่อมเชื่อมต่อเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกที่ใจหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกที่ใจจมูกดมกลิ่นเกิดความรู้สึกที่ใจลิ้นสัมผัสรสเกิดความรู้สึกที่ใจกายสัมผัสเย็นร้อนบางแข็งเกิดความรู้สึกที่ใจเกิดกิเลสเกดขึ้นเกิดความพอใจ เกิดความไม่พอใจเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดการมราคะทั้งหลายก็เกิดขึ้นดีใจร่างกายของเราให้วาต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงสะพานเป็นเือนเครื่องเชื่อมต่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อตายเห็นลูกเกิดความพอใจก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลูกวันนั้นหูได้ยินเสียงจมูกตดมกลิ่นดิ้นสัมผัสกายสัมผัสเดินรลอหนังแข็งมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของลูกเสียงกลิ่นรอสัมผัส อยู่เสมอๆทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่การที่จะมีวางจิตให้เป็นกลางได้ก็ต้องอาศัยสติที่มีความตั้งใจมั่นเก่ขึ้นมีสติตั้งมั่นเกิดขึ้นจึงจะเห็นอาการของจิต ใหนอารมณ์ของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานจิตของเราอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งจึงต้องภาคเปลี่ยนพยายามที่จะทําจิตของเรานั้นให้สงบด้วยการกําหนดปฏสติอยู่ทุกๆุ ก, ก, กริเลบทในการที่จะดูแลรักษ า, าจิตใจของเราทุกๆขนาดจิต เท่าที่จะระลึกได้ถ้าเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่พอสติเป็นทางสายเองที่จะเห็นกิเลสที่จะทําลายกิเลสแต่การที่จะมีสติตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกซ้อมฝึกหัดทำสมาธิภาวนาให้มีความจนานาญในการทํากิจให้สงบไม่ว่าจะดูเนยาบทนั่งสมาธิหรือเดินถึงกรม ก็ต้องทำให้มากเจริญให้มากการทำความเพียรทำทุกๆุกวันไม่ว่าจะหนาวจะร้อนหรือฝนจะตกก็ตามก็ต้องฝืนจิตใจของเราในการประติบัติในการที่จะปาลบความเพียรอยู่เสมอเสมอในทุกๆวันเมื่อเราทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องใจงเรานั้นก็จะมีสมาธิเกิดขึ้น มีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นมีจิตซึ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายถึงแม้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ตามจิตก็จะตั้งมั่นถึงแม้ว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็จะมีสติมีปัญญาเข้าพิจารณาละวางอารมณ์มันั้นออกไปจากใจของเราทำจิตให้เป็นกลางได้อยู่เสมอเสมอ แต่ถ้าอุบายปัญญาไม่เพียงพอก็กำหนดสติกำหนดสมาธิตัดสลมนั้นออกไปพยายามทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอเสมอให้มีสติตั้งมั่นเด่ในปฏิบัติบัญธรรมถ้าเราทำความเพียงเช่นนี้พยายามให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัตััติธรรมพยายามวางใจให้เป็นกลางไม่ให้เกิดความพอใจความไม่พอใจ ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอเสมอเราพิจารณาอยู่เสมอทุกๆขณะจิตถ้าเกิดอารมณ์เกิดขึ้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความกังวลยินดีในการทั้งหลายสติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอารมณ์ภายในใจเราอยู่เสมอแล้วปล่อยวางออกไปถ้าพิจารณาจนเห็นชัดจนชำนานขึ้นภายในจิตใจของเราจนทําจิตให้เป็นกลางได้ พ่อัยสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายจิตของเรานั้นก็จะหมดตามพิจารณาเรื่องอารมณ์ภายนอกเมื่อตาเห็นลูกจิตก็เฉยๆหูดียินเสียงจิตก็จะเป็นกลางจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเยนร้อนลอนแข็งมีส ต, ติตั้งมั่นอยู่ในปัจบธรรม จิตก็จะนิ่งเพราะพิจารณาสิ่งภายนอกพอสมควรจิตก็จะบางเลงเหลือแต่กิเลสซึ่งละเอียดอยู่ภายในใจของเราซึ่งเป็นความขุ่นมัวเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเองซึ่งละเอียดขึ้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาลูกเสียงกิรลยสัมผัสเดือเสมอเนี่ยให้เห็นความไม่เทียเท่ยงความไม่เชื่ตัวตนใจเรานั้นจะรวมเป็นกลางเอง แล้วเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาพอสมควรก็ยกร่างกายขอยงเราเนี่ยขึ้นมาพิจารณาร่างกายขอยงเราพิจารณาใจขอยงเราเนี่ยมีสองอย่างเท่านั้นแหละเมื่อจิตสงบพักอยู่ในความสงบพอสมควรจิตถอนออกจากความสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการสัมีสอง หรือสอภากรรมฐานหรือธาตกรรมฐานพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาพิจารณาเห็นเป็นปฏิปูลเป็นสิ่งที่นิสวยงามพิจารณาซ้ำซ้ำซากๆอยู่ตรงนั้นแหละจะพิจารณาเพียงอย่างเดียวก็ได้จะพิจนารณาผมอย่างเดียวก็ได้จะพิจารณาหนังอย่างเดียวก็ได้จะพิจารณาโครงกระดูกอย่างเดียวก็ได้เมื่อสติปัญญาที่มาโดยแยกคายเห็นชัดที่แล้วเนี่ย ก็จะเกิดความเข้าใจในเรื่องร่างกายเราเองมันก็ซึมเศร้าไปทั่วในร่างกายเราเองบางทีอยากจะเห็นชัดในส่วนนี้ส่วนผมจิตอาสาอาจจะอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาไปหรือพิจารณาหนังจิตสงสัยในกระดูกก็พิจารณาในกระดูกไปหรือไอ้วาสต่างๆแล้วแต่ที่จิตอยากจะพิจารณาถ้าจิตอยากจะพิจารณาตรงไหนแสดงว่า มันยังไม่แจ้งชัดยังไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆถ้าเราหมงุงจิตก็พาพิจารณาไปเพราะนั้นบางคนก็จะกำหนดแต่งเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาหลายๆอย่างก็ได้ทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะให้จิตน่ะของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นั้นในเบื้องต้นจึงให้พิจารณากรรมฐานห้าคือผมขนเล็บฟันหนัง ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกซึ่งเราสามารถเห็นได้ด้วยตาพิจารณาได้ด้วยใจอยู่เสมอเสมอ เ, เมื่อพิจารณาจนมีความชำนาญบางทีนิมิตอสุภะกรรมฐานอาจจะปรากฏขึ้นมาเองเพราะสายการพิจารณาอยู่เสมอเสมอนิมิตอสุภะกรรมฐานอาจจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นนิมิต ภายนอกคือนิมิตของคนอื่นเห็นนิมิตภายนอกว่าคนอื่นมองเห็นเป็นซาศกศพเน่าบางแห้งบ้างหรือเห็นนิมิตภายในใจของเราเนี่ยซึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นสภาวะของซาศกศพเน่าบางแห้งบ้างก็ได้ก็มีสติมีปัญญาพิจารณานิมิตนั้นให้แตกสลายลงไปหรือบางครั้งสภาวะธรรมของนิมิตนั้นก็แปรเปลี่ยนไปให้เราเห็นเอง ให้จิตของเรานั้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะของความไม่เที่ยงความไม่แช่ตัวตนนั้นเราก็พลิกจิตย้อนกลับมาพลิกมากายในกายตนให้เห็นเหมือนที่เราเห็นในมิตอนั้นให้เห็นร่างกายเรานี้เป็นปฏิคูลเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แช่ตัวตนเน่าเปือยแตกส่าลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณาเจนนี้ไม่ติดเห็นชัดขึ้นมา กติเกิดปิติเกิดความสงบสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นติดก็รวมเป็นสมาธิ้าไปวางการพิจารณากิตลงเข้าสู่ความสงบเมื่อจิดพักอยู่ในความสงบพอสมควรจิตจะถอนออกจากความสงบโดยธรรมชาติของจิตถ้าเราอยากจะพิจารณาต่อก็ยกล่างกายในเรื่านี้ขึ้นมาพิจารณาอีกพิจารณา ร่างกายเรานั้นเข้าไปสู่ความมึนงงิดสลับกันไปสลับกันมาทำเช่นนี้อยู่เสมอๆ เ, เนี่ยก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นเกิดความรู้เกิดขึ้นว่าร่างกายที่จิตเรายึดมั่นถือมั่นนี้เป็นความหลงของจิตเมื่อจิตเห็นชัดกระจัดขึ้นที่ใจอย่างหยาบเราก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ในส่วนต้น ดูว่าเห็นร่างกายเหล่านี้ว่าไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อจิตเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจิตเห็นส ม, มุติ น, นั้นจิตก็ถึงวิมุติคือปล่อยวางความคิดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนตน้นเความโลภ ก, ก็บรรเทาวางลงไปความโกรธก็บรรเทาวางลงไปราคะความขัดยินดีในามทั้งหลายก็บรรเทาวางลงไป จิตของเรานั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค่เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายเพราะจิตเห็นร่างกายตามสภาวะของความจริงเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายเมื่อจิตเห็นชัดในเบื้องต้นก็ปล่อยวางอุปรานความยึดมั่นถือมั่นออกไปแต่ก็ยังมีกิเลสอย่างกางหรืออย่างละเอียดอยู่ภายในใจการพิจารณานั้นก็ไม่ใช่พิจารณาที่อื่น เราก็พิจารณาอยู่ที่ร่างกายเรานี้ดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญาทำเช่นนี้ไปเหมือนเดิมนั่นแหละพิจารณากายพิจารณาจิตของเราสลับกันไปถ้ามีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในใจ เ, เราถึงแม้ว่ารูปเสียงกิรลกสัมผัสภายนอก อาจจะไม่ต้องพิจารณาแล้วก็ได้แต่อารมณ์ซึ่งอยู่ในใจเราเดียมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเองสติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ส่วนละเอียดนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนทำจิตให้เดในปัจจุบันมาทำอยู่เสมอเมื่อมีเวลาว่างก็ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาส่วนกลางอย่างกลางซึ่งจิตยงไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นออกไป ยกล่างกายขึ้นมาพิจารณาเป็นอนสาสพักกรรมฐานหรือท่ากรรมฐานให้ทะลุเข้าไปสู่ความว่างขงจิตให้จิตรวมไปสู่ความสงบด้วยการใช้ปัญญาอบรมสมาธิยกล่างกายขึ้นมาพิจารณาทำให้ไมจิตเห็นชัดก็ทำให้จิตรวมเป็นสมาธิหรือบางครั้งเราทำจิตให้สงบก่อนไยกว่าทำสมาธิทาจิตให้สงบ เมื่อจิตสงบแล้วก็ยกล่างกายขึ้นมาพิจารณาเดินใช้สมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นทำหนึ่งไรก็ได้สลับกันไปเพื่อที่ทําให้จิตของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนกลางนี้ได้เมื่อส ต, ติปัญญาเห็นชัดก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในส่วนการนี้ออกไป ความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาวางไปอารมณ์ส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็น้อยนิดมีความพอใจมีความไม่พอใจก็เพียงเล็กน้อยสติปัญญาก็เห็นชัดการพิจารณาก็พิจารณาอยู่ที่ร่างกายเรานี่หรือพิจารณาอยู่ที่ใจนี่ไม่ใช่ไปพิจารณาที่เพราะกิเลส ก, ก็อยู่ที่ใจนี่แหละเพราะการพิจารณาร่างกายส่วนละเอียด บรงทีจิตอาจจะไม่ใดปิติเมื่อทำความสงบจิตก็เข้าสู่สมาธิเข้าสู่สความว่างหรือว่าการพิจารณาร่างกายจิตไม่อาจจะไม่เกิดปิติอาจจะมีความสุขหรือพิจารณาทะลุไปถึงเวกขาทาจิตให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอยู่เสมออาจจะพิจารณาธาตุเป็นอารมณ์ จนติดเข้าไปสูความว่างหรือมีสติจับจ่อเพ่งดูกายจิดก็เห็นสภาวะของความแปรเปลี่ยนไปจิดก็รวมเข้าไปสู่ความงงจนจิตถอนความยึดมั่นถือมั่นออกมาทีเล็กทีน้อยเห็นร่างกายในอดีตว่าเป็นของไม่เที่ยงร่างกายในอนาคตว่าเป็นของไม่เที่ยงมีสติมีปัญญาหเห็นร่างกายในปัจจุบันว่าเป็นปฏิคูลว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นแต่เพียงทาดินท่า น, น้ำธาตลมหรือไฟผิดถอนจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในปัจจุบันจึงจะสามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับราคะความกนหนัดดินดีในการทั้งหลายได้คือศีลสมาธิปัญญาก็รวมตัวในระดับที่ละเอียดขึ้นสามารถที่จะละกิเลสส่วนละเอียดในเรื่องของกายได้ ความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความขาดยินดีในการก็ดับลงไปความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดับลงไปจิตก็เดินไปในท่ามทางในความสมบงบเยอกเย็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจหรือไม่พอใจในวัตถุธาตุทั้งหลายเห็นก็สัตว์ตัวเห็นได้ยินก็สัตว์ตัวได้ยินความสงบความเยืกเย็นใจก็เกิดขึ้นในความสุข ที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นเพราะไม่มีความทุกข์เครื่องเศ้ามองอันเกิดจากความโลภไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความโกรธความมาค่าไถบาปไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความตำหนดดินดีในการมทั้งหลายเมื่อความล้อนดับลงไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้นนี่แค่เบื้องต้นแค่นั้นที่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตน ความสงบความยเย็นหรือความสุขก็เกิดขึ้นในระดับที่พอสมควรแต่กิเลสนั้นก็ยังมีอยู่ภายในใจของเราคือความหลงส่วนละเอียดซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในเรธนาของจิตในสัญญาของจิตในสังขารของจิตในวิญญาณของจิตยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณา ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ต่อไปให้พิจารณาโดยแยบคายให้ละเอียดต่อไปแต่นี่เลยพูดในเบื้องต้นเฉพาะเรื่องของกายแค่นั้นนะซึ่งพวกเราทุกคนก็กําลังประพฤตบิบัติเรื่องของกายนี้หรือร่างกา ย, ยาเราเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นเป้าหมายสําคัญแต่เรื่องของจิตนั้นที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรม ส่วนละเอียดนั้นความจริงเป็นหน้าที่ของตามสมมติก็หลักธรรมที่จะเห็นชัดเข้ามามิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นจิตเป็นธรรมส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นเอาเบื้องต้นไปก่อนให้มีความชนานาญในการพิจารณาร่างกายขอยงเรานี้แต่ถ้าจิตของเรานั้นพิจารณาไม่เห็นอสุภะกรรมฐานธาตุกรรมฐานเราก็ต้องกลับมาทําสมาธิภาวนา ทำความภาคเพียรภาวนาให้จิตสงบให้ได้เพื่อเป็นบาตฐานแห่งสติปัญญาจะได้พิจารณาแยกแยะให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้แต่ถ้าจิตไม่สงบจิตของเรานั้นปุมแต่งไปในเรื่องสารพัดเรื่องสารพัดอย่างอันเป็นกิเลสเราจะต้องพยายามที่จะหาวิปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียร ในการปฏริบัติอยู่เสมอเสมอในทุกๆวันควรพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายอยู่เสมอเสมอเพื่อที่จะก่อให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันเราทุกคนต้องควบคุมจิตใจตัวเราเองให้ได้บังคับจิตใจตัวเราเองไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจเรานั้นไปกับอลงมไปกับกิเลสที่นี่ไม่ใช่โรงเรียน กินและนอนเป็นที่ประพฤติบัติธรรมต้องมีความตั้งใจในการประพฤติบัติธรรมเมื่ออยู่ในสถานที่ัยาพยพพอสมควรเราก็ต้อง ค, ควบคุมตัองให้ได้ในการที่จะทำความเพียรอยู่ทุกๆวันการนอนก็นอนมามากแล้วก็ไม่เห็นรู้ธรรมเห็นธรรมเลยการฉันก็ฉันมามากแล้วก็ไม่เห็นรู้ธรรมเห็นธรรมเลย เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะปฏิบัติตัวเราเองต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจงเราเองด้วยการฝืนด้วยการอดทนให้มีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในจิตใจเรานี้ถ้าเราไม่ตั้งใจปรมาปฏิบัติกิเลสเของงาอ็งาจิตใจเราอุบายของกิเลสนั้นก็สามารถที่จะทําลายกิเลสภายในใจเราให้เสื่อม่อยไปได้ให้คิดในเรื่องอกุศล ให้คิดเป็นในเรื่องทั้งโลกปรุงแต่งวาดภาพให้เห็นว่เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่เลิศเลยเป็นสิ่งที่พิเศษทั้งจั้งที่เกิดตายมาไม่รู้จะสืพบพิชติตได้ก็ไม่เห็นของของเก่ามาพบกรอบของของเก่าก็หลงเพลิดเพลินอยู่ของของเก่าอีกถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤฏิบัติในปัจติบันชาตินี้เราจะตั้งใจประพฤปฏิบัติในชาติไหนพอเกิดชาตินี้มาเป็นมนุษย์ พบคำํำสอนของพระพุธทธองค์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้มาเกิดมาพบคำํำสอนของพระพุธทธองค์หรือเปล่าในเมื่อชาตินี้มีโอกาสอันดีที่สามารถที่จะประพฤติบัติทำได้ก็ให้มีความตั้งใจในการประพฤติบัติธรำไปตลอดชีวิตนะเจนกว่าจะหมดลมหาใจนะนะั่น่ะจึงจะพอดีจึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรเพราะฉะนั้น ให้พวกเราทุกคนพึงพยายามควบคุมจิตใจของเราเองสำมรวมจิตใจของเราเองให้ดีมีสติตัมวอนสำรวมระวังไม่ให้จิตใจเรานั้นเกิดกิเลสเมื่อเกิดกิเลสก็ไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมอารมณ์ไปใน ใ, นใจเราด้วยจักหาทางละหาทางทำลายหาทางสลัดกิเลสออกจากใจ เ, เราให้ได้ไม่เก็บไม่จัดขังอารมณ์ที่เป็นกิเลสไว้ รู้จักฝืนรู้จักอดทนที่จะชนะกิเลสไปในใจของเราไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดขึ้นก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นสิ่งที่สาคัญในเบื้องต้นต้องมีสติดูแลรักษาจิตใจงเราอยู่เสมอทําสมาธิให้ต่อเนื่องเมื่อความสงบเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาท้ากิเลสออกไปจากจิตใจงเรา ทำความเพียร น, นั้นไม่ใช่ว่าทําเฉพาะในภาษาเราต้องทําทุกๆวันไม่มีซานไม่มีเวลาไม่มีฤดูฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนไม่จํากัดทําทุกๆวันทุกๆขณะจิตถ้าเรามุ่งหวังทําความเพียรเช่นนี้ก็สามารถที่จะเอาชะนะกิเลสไปในใจใเราได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ซึ่งกายความเพียรเป็นผู้ซึ่งท้อถอย กิเลสก็าพาให้จิตใจเรานั้นปรุงแต่งไปในเรื่องที่จะทำลายจิตใจเราเองนั่นแหละให้เสียหายเพราะฉะนั้นพึงพยายามอย่าปล่อยวันเวลาให้ร่วงเลยไปโดยตประโยชน์ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะปรากฏขึ้นได้ให้การทำความเพียรทำคุณงามความดีในศีลในสมาธิในปัญญาให้ถึงพร้อม ให้พร้อมที่จะร่างกายแตกสลายจิตใจก็ไม่หวันไหวนะให้มีที่พึ่งที่แท้จริงไปในจิตใจงเราที่พึ่งในเบื้องต้นคือการรู้ธรรมเห็นธรรมและใจเป็นธรรมในเบื้องต้นนั้นอย่างน้อยคือพระยะบุคคลเบื้องต้นนะต้องทําให้ปรากฏขึ้นไปในจิตใจเราให้ได้การปฏิบัติก็ไม่ใช่เป็นของยากลําบากถ้าเป็นของยากลําบากจนคนทั้งหลายไม่สามารถ จะประพฤติปฏิบัติทําได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงไม่แนะนําสั่งสอนให้พวกเราประพฤติปฏบัติทำหรอกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางทรงบอกทา ง, ทา ง, ทางก็เพราะทรงเห็นว่าคนทั้งหลายสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ เป็นทรงวางธรรมบินัยให้เป็นแบบอย่างไว้สอนให้ประพฤติบัติในศีลในสมาธิปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในยะสัตตรคือให้รู้ในทุก์ให้รู้ในเหตุให้เกิทุกให้รู้ในความดับทุกให้รู้ในข้อประพฤติบัติให้ถึงความดับทุกจึงพยายามที่จะทำจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็จะ ประสบกับความสุขที่แท้จริงไปดจนจิตใจงเราโดยสามารถที่จะดับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเราได้ก็ให้ความคิดเห็นที่พวกเราพอสมควรให้น้อมนำไปปฏิบัติ